ขณะเดียวกันวัตถุเหล่านั้นถึงเราดูแลได้เก่งมากแต่ถามว่าอายุมันมีอายุไขไหมแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีอายุไขในที่สุดก็มีความแปรปลวนเป็นธรรมดาดุจสมบัติของมหรสพแปลว่าเคยเห็นงานที่ที่จัดเลี้ยงประดับประดาตกแต่งเอาคิดง่ายงานวัดหนึง่งงานวัดเนี่ยโอ้หเวลาทีาง่งานไหนที่โยมจะไปเยอะนะเขจะมีการประดับประดาตกแต่งเนี่ยนะพร พอเขากลับหมดนะของพวกนั้นเป็นขยะทันทีโอ้ยนั่งเก็บขยะอยู่นั่นเลยเนี่ยนะปัตรกวาดเนี่ยนะทีนี้บางทีบางวัดเนี่ยที่ขาดความสามัคคีเนี่ยพระมันจะไม่เมตตาต่อกันลนะเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยนะโอ้ยแก้วที่วางประดับตกแต่งบรรลุกออกปับ๊บมันก็คือเศษขยะเต็มที่หมดเอาใครล้างขยะแหละใครเก็บขยะเลยะนะอาหารที่เหลือตามโต้ทั้งหลายก็คือกองขยะดีๆนี่แหละเนี่ยนะพราน ก็บอกว่าในที่สุดมันก็แปรไปเหมือนสมบัติมรสพบเหมือนกับงานเลี้ยงเนียนะยังเอาดอกไม้แล้วกันบางช่วงเนี่ยโอยดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์รอบเต็มไปหมดเนยนะเสร็จแล้วมันก็เน่าโอ้ยขยะเต็มนั้นหมดเนี่ยนะก็เนมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆของที่เข้าของเครื่องใช้อย่างเสื้อผ้าที่งดงามเนี่ยนะที่เราเอามาประดับประดาตกแต่งใส่สักเงือท่วมเลยนะกองไว้อะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่ได้หอมอย่างที่ตอนใสโ่โอกนี่ก็เป็นอย่างนั้นลคือทุกอย่างมันก็แปรฉะนั้นเรียกว่า ด, ดอกไม้เวลาแปรไปเป็นอย่างไรอาหารที่แปรไปเป็นเช่นใดเนี่ยนะวัตถุทั้งหลายเวลาแปรไปก็ฉะนั้นข้าวของเหล่านั้นมันแปรไปได้ในที่สุดเคยมีสิ่งใดที่ไม่แปรบ้างไหม อย่างดูแลบ้านเนี่ยในที่สุดเรื่องสีเรื่องอะไรทั้งหลายเดี๋ยวก็ตามมาทุกเรื่องเนี่ยตามมาหมดภาระในการดูแลไม่มีจบมีสิ้นแต่งสีแต่งเสียงแต่งกลิ่นแต่งรถแต่งโภตาภาแต่งไม่มีเสร็จมีเลิกมีราเนี่ยนะยิ่งแต่งร่างกายด้วยยิ่งแต่งยิ่งเดือดร้อนนะนะยิ่งแต่งยิ่งแย่ยิ่งดูแลยิ่งหนักโอ้ยิ่งเอาใจมากยิ่งเป็นมากเลยนะไม่เอาใจเลยก็หนักกว่เดิมอีกเนี่ยนะก็เป็นอย่างงี้ยิ่งดูแลยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งเลี้ยงยิ่งแก่มันว่า ยิ่งโหยฉันให้วันทั้งหลายครั้งทั้งดูแลอย่างดีเลยนะในที่สุดมันก็เอาเรื่องจนได้เนี่ยนะยนะดีนะอายุขนาดนี้หนักไปท่านจะต้องหนักกว่านี้อีกนะกว่านะทุกคนนั่นแหละมาเล่นงานกันทุกคนนั่นแหละเล่นนะมาสับกสับบอยังก็ตีหัวหัวก็ปวดหัวยังก็ตีหลังแล้วโอ้ยเมื่อยหลังเนี่ยยังก็ตีบาแล้วก็เมื่อยบาโยกตีแขนแะบางคนแขนหักเลยก็มี รา ว, วัตถุกรรมทั้งหลายมีการเผาภายในดุดไฟในโพรงไม้คือถ้าเป็นต้นไม้ตามชนบทเนี่ยนะต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยข้างในมันจะกลวงแก่นมันเน่าเมื่อแก่นมันเน่าแต่ต้นไม้ก็ยังโตอยู่ยิ่งโตเท่าไหร่ข้างในก็ยิ่งกลวงเท่า น, นั้นมันก็เป็นโพรงเมื่อมันเป็นโพรงเนี่ยนะโดยมากโบราณก็ถือว่าต้นไม้ต้นนั้นมันจังไรเขาว่าไงมันไม่ดี เมื่อมันไม่ดีเขาทํางไงเขาก็จุดไฟเผาเนี่ยนะเขาก็เผาทําลายทิ้งซะต้นไม้ไม่ดีเอาไปทําเรือก็ไม่ได้เขาจะเอาไม่ไปทําอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันไม่ดีเขาว่าเขาถือว่ามันไม่ดีเป็นลางที่ไม่ดีเขาเลยโดยมากจะจุดไฟเผาฉันใดวัตถุ ก, การมทั้งหลายเนี่ยนะเรามาชอบคําที่โยมคนหนึ่งก็พูดเห็นแต่หน้ายิ้มยิ้มแต่ข้างในใจในร้องไห้อยู่นะคำว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะะคือโดยมากเนี่ยนะเหมือนกับยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสออกการออกงานแต่ว่า ใจจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องเศร้าอยู่นะถ้าเราสังเกตหน้าแต่ละคนให้ดีๆเนี่ยนะมันจะมีความหม่นหมองแสดงออกเรื่อยๆเนี่ยนั้นมันจะมีความเศร้าหมองแสดงออกมาโดยมากตอนพูดคุยกันก็ยิ้มแย้มทีหนึ่งพอให้เขาอยู่โดยธรรมชาติเขาจะบึ่งละเครียดละเนี่ยนะพอพูดคุยกันก็ยิ้มอีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เครียดต่อเนี่ยนะเพราะไม่มีวิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจไม่มีสมถวิปัสนาอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจใจจะไปไหน ใจมันก็ขุ่นมัวใจมันก็เดือดร้อนมันก็เผาะระอุอยู่ภายในเรียกว่าเป็นโรคตรอมตรอมภายในหรือถ้าไม่ตรอมตรอมเกรียมภายในก็ระแวงอันชีวิตของศาสตร์โลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขับรถด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะดูจริงๆแล้วเพลินจริงหรือชีวรถที่มันวิ่งเร็วเร็วเนี่ยนะจริงๆ อ, อู้สนุกสนานจริงๆแล้วทุกคนรู้นะว่าพลาดตั๊บที่ชีวิตตายอย่างเดียวมันจะไปรา่าเริงได้อย่างไรมันก็โดยมากนั้นจึง เหมือนกับมีความทุกข์อยู่ภายในนั้นหลายๆคําฟังไม่ได้แม้กระทั่งฟังความจริงโดยมากก็ฟังไม่ได้นะเช่นฟังความว่าความตายคําว่าพลัดพรากฟังหลา ย, ลายคำโดยเฉพาะอริยศาสตร์ทั้งหลายฟังไม่ได้กรรมสกตาก็ฟังไม่ได้นะเพราะว่ามันมันเผาอยู่ในใจเนี่ยมันเกรี้ยง ม, มาหมดเลยไม่น้าผิวก็เลยเกลี้มงไปหมดเลยมันเผามาตั้งแต่ไหน วัตถุกรรมทั้งหลายมีโทษมากมายแล้วมีโทษไม่น้อยดุดยอดปล้องห้อยลงไปในหลุมเก่าสมมุติถ้าเราตกไปในหลุมเก่าๆเนี่ยนะแล้วเราต้องฉุดตัวขึ้นโดยจับญอดเนี่ยนะถ้าจับถ้าจับยังไงมันก็โดยมากมันจะบาดมือเนี่ยนะนี้มันปากหลุมนะดึงแรงมันก็หลุดตกมาอีกมันยากที่จะขึ้นได้เพ้คะมันมีโทษมากเหลือเกินเนี่ยนะจะต้องระวงังถ้าเอาตัวเข้าไปใกล้ปับ๊บมันก็บาดมันก็ทิ่ม มันก็เป็นบาดมันก็เป็นคันอ่ถ้าใครแพ้ยาด้วยแม่พอพูดคำว่ายาเนี่ยรู้เลยมันคันแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยนะวัตถุการามทั้งหลายที่เข้าไปจับต้องเนี่ยนะใจก็เป็นผื่นฉะนั้นนี่แหละใจก็ร้อนขณะเดียวกันวัตถุการามทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความกระหายดุดดื่มน้ำเข็มเนี่ยนะหิ้ื่น้ำมากเห็นน้ากว้างใหญ่ไพศาลคือทะเลดื่มใหญ่เลยนะรีบเออกันนะ ถามว่าจะดับกระหายได้ไหมตอนแรกบอกเออมันขมั้างเขาว่าเค็มอ่ะนะเค็มจนขมโอ้ยก็ยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งดื่มคอก็ยิ่งแห้งไม่ได้ทำให้คอนี่ชื้นขึ้นมาเลยเนยยิ่งดื่มยิ่งกระหายวัตถุกรามทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่ามันจะต้องเพิ่มปริมาณคล้ายๆกับยาเสพติดใช่ มันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นในโลกของวัตถุกรรมทั้งหลายตอนแรกบอกว่าพอใจแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วพอไปถึงแค่นั้นยังไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปทีละนิดทีละนิดนิดเพิ่มจนแค่ว่าเพิ่มจนไม่รู้จะเพิ่มยังไงแล้วก็ยิ่งดื่มยิ่งกระหายยิ่งเดื่มยิ่งเดือดร้อนขณะเดียวกันวัตถุการมทั้งหลายพระองค์บอกว่าเป็นการเสพของคนระดับล่างคนชั้นต่ำเนี่ยนะเหมือนกับสุรามีไร คือเป็นเรื่องของปุถุชนทั้งหลายไม่ใช่โลกของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่ทํากันอย่างนี้หรอกเนี่ยนะท่านไม่บริโภคสิ่งเหล่านี้วัตถุการมทั้งหลายอุปมาเหมือนกับโครงกระดูกเพราะมีความยินดีน้อยคือคือไม่มีใครอิ่มแท้จริงเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างก็บอกโบราณ โบราณเนี่ยเขาก็จะโครงฆ่าสัตว์มันไม่ได้เป็นโรงเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะเขาก็จะไปแล่เนื้อวัวเนื้อควายเนี่ยตามที่ต่างๆตามโคนไม้ตามอะไรก็ว่าไปตามกลางข้างบ่อน้ําเป็นต้นทีนี้หมามันได้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรมันก็มาเต้นไปหมดนี่ทํำยังไงอะ่ะเขาก็เลยแล่เอาเนื้อออกให้หมดเหลือแต่กระดูกแล้วกระดูกไปชุบๆเลือดแล้วเคลี่ยงไปเนี่ยนะหมาแต่ละตัวก็ไปเกลียกระดูกอยู่นั่นแหละ แค่ทั้งแท้ทั้งเลือกเพราะมันแต่น้ํำลายตัวเองไม่มีตัวไหนอิ่มสักตัวหนึ่งแต่แค่ว่าฉันใดวัตถุกรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคนที่มีอยู่ในโลกกับคนที่ตายไปแล้วไหนมากกว่ากันแล้วมีใครที่อิ่มจริงบ้างไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะโดยประวัติศาสตร์ไม่มีใครบอกว่าผู้นั้นประสบความสําเร็จอิ่มจริงบอกมีความรู้สึกพอแล้วเพียงพอ มีความสุขเลิกเกินเน่นะเป็นต้นไม่มีหรอกมีแต่หิวมีแต่กระหายมีแต่เร่าร้อนมีแต่เดือดร้อนฉะนั้นทีนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอเนคขมมะเนี่ยต้องมาก่อนบนรรพชาสมัยก่อนเนี่ยนะเนคขมมะมาก่อนบนรรพชาคือแยกข้อข้อเสียข้อเสียของการถ้าชีวิตหมกมุ่นอยู่กับวัตถุกรามจนตาย เรียกว่าตายคาวัตถุกรรมตายคาบ้านตายคาเรือนตายคาที่ทำงานเป็นต้นเนี่ยนะตายเครียพูดแบบย่อๆก็คือตายคาสมบัติถามว่าจะไปไหนดีเนี่ยนะว่าตายสมมติว่าโอ้ชีวิตนี้อยากได้อะไรนะสมมติโอชาตินี้มีรถสรักคันหนึ่งถ้าตายคารถจะเป็นยังไงมีบ้านสักหลังหนึ่งตายแบบคนมีใจผูกพันอยู่กับบ้านหรือว่ามีวัตถุใดที่ตัวเองปรารถนาและพอใจ เสร็จแล้วก็ตายผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นพระองค์บอกว่าผู้ที่ตายแบบคนอาัยอาวอ์ตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะพระองค์ตัดในอะไรนะในพระสูตรชื่อว่ามหาสุทัศนสูตรเนี่ยนะมหาสุทัศนสูตรที่พระองค์ตรัดกับพระมเหสีของพระองค์วา<ๆ><ๆ>่าเธออย่ามาพูดกับเราอย่างนี้เนี่ยนะเธออย่ามาบอกให้เราเรื่นรมอยู่ในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ เพราะผู้ที่ตายด้วยความผูกพันในสิ่งเหล่านี้ตายแล้วเป็นทุกข์อาตมกทาก็บอกว่าทุกข์ได้ยังไงเพราะตายแล้วคำว่าคิดถึงบ้านตายโดยที่มีบ้านเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยมากบ้านเป็นที่ทําบุญเนี่ยไม่มากเนี่ยนะเป็นเป็นที่ประชุมเอาไว้ฟังธรรมเนี่ยนะก็มีไม่กี่บ้านแบบน้อยบ้านมากโดยมากเอาไว้จัดกินเลี้ยงดื่มเหล้าเมายาเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าถ้าตายคาบ้านเหล่านั้นมีใจผูกพันกับบ้าน เหล่านั้นเนี่ยนะถามว่าเกิดที่ไหนดีจะเกิดเป็นอะไรดีเอาถ้าเกิดแถวแถวบ้านเนี่ยนะควรจะอยู่ในฐานะไหนดีเป็นหนูเป็นแมลงเป็นสัตว์ในราชานที่อยู่แถวแถวนั้น น, นะพัคธ์เขาว่าตายโดยอะไรอววรกับสิ่งนั้นตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะทีนี้พันธเมื่อเห็นพิษภัยทุกโทษว่าการเดินตามเส้นกระแสแห่งวัตถุกรรมทั้งหลายจบลงที่ไหน ถามว่าถ้ามีใจเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่กับกุศลให้ใจเป็นไปกับกุศลจนตลอดไปที่สุดจะอยู่ที่ไหนอย่างถ้าอ่านในชาดกบ่อยๆเนี่ยนะพระโพธศาสัตว์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านโดยมากท่านจะพูดว่าเช่นผมงอกบนศรีรษะเส้นหนึ่งเนี่ยนะก็บอกลูกว่าลูกเวลานี้เป็นสมัยที่เวลาที่พ่อจะออกบวชแล้วการมคุณอันเป็นของมนุษย์เนี่ยพ่อก็ได้ใช้สอยบริโภคเสร็จแล้ว บัดนี้ได้เวลาที่พ่อจะสแสวงหาการมคุณอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะก็คือสแสวงหาที่จะเจริญบุญกุศลพันเห็นผมงอกเส้นเดียวนี่ก็ออกบวชเลยเนี่ยนะเพราะถือว่าได้เวลาสแสวงหาบุญกุศลสแสวงหาอริยทรัพย์ที่จะเป็นไปในภายหน้าแล้วเนี่ยนะก็ออกบวชพรันเนคขมมะเกิดขึ้นก่อนเห็นพิษภัยทุกโทษของการเอ่อตายแบบคนที่มีอาไลอาวณ ตายแบบคนไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีก็เลยน้อมไปที่จะเจริญกุศลทีนี้ทำยังไงที่จะเจริญกุศลได้อย่างเต็มที่และยืดยาวก็เห็นคุณของการบวชเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็จะบวชเป็นฤาษีเป็นปริพาชกผู้เป็นกรรมวาที กิริยาวาทีบวชมาแล้วเชื่อกรรมเชื่อผลของกรร ม, รรมเป็นฤาษีผู้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเป็นฤาษีที่อย่างน้อยรักษาอุโบสถเนี่ยนะรักษาอุโบสถเจริญสมถะวิปัสสนาโดยมากก็ได้ฌานถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนาก็จะบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นใครคติโชติปามานพเนี่ยนะ โชติปาละมานกเนี่ยก็บวชในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลตามที่กล่าวแล้วคือเมื่อบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมตามศิลบารมีเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของวัตถุกรรมทุกชนิดทีนี้คนที่เห็นโทษของกรรมเนี่ยนะจะออกจากกรรมที่เป็นอบายได้เนี่ยอาศัยอะไรโลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของของกรรมนะ โลกของอบายทั้งหลายก็คือโลกของวัตถุ ก, กรามและโลกของกิเลสกรรมถ้าจะออกจากอบายเหล่านั้นได้ต้องมีอะไรต้องมีศีลศีลที่จะพาให้ออกจากโลกของกรรมมคุณที่เป็นอบายนะทีนี้เห็นคุณชั้นสูงว่าถ้าออกจากก ร, รมก ร, รมมาพบได้จะดีก็เลยอาศัยฐานแห่งการปฏิบัติขัดเกลารักษาทุดงเพิ่มพูนทุดงเพื่อให้ศีลเนี่ยผ่องแผ้วยิ่งยิ่งขึ้นไป จรงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายสมาทานธุดงคธรรมแล้วบริหารธุดงเหล่านั้นโดยชอบเนี่ยนะรักษากุศลธรรมเหล่านั้นอย่างดีและต่อเนื่อง mm hmm. ก็คือเห็นคุณของกุศลว่ากุศลเหล่านี้จะช่วยปกปักจะช่วยคุ้มครองชักนําให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากอบายทุคติวินิบาตแล้วก็นรกที่นี้ทํำยังไงปิดประตูนรกให้มันดียิ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่าไขกุญแจหลายๆชั้นเนี่ยแบบว่า ล็อกหลายๆชั้นเนี่ยที่เรียกว่าไม่ให้มันทะลุไปสู่ประตูอาบายเพิ่มธุ ด, ดงเข้ามาเนี่ยนะให้มันแข็คงคัดขึ้นไปอีกบอกว่าจะได้หนักหนักแน่นนะว่าไม่ไปอาบายเสร็จแล้วก็เห็นโทษของกรมอีกก็เจริญกุศลเป็นผู้ที่มักน้อยไม่มักมากในวัตถุกรรมเป็นต้นมักน้อยในปริยัตมักน้อยในธุดงคือมักน้อยหมายความว่ารักษาศีลรักษาธุดงแล้วไม่เป็นคนมี โอ้อวดไม่ไปไหนทเที่ยวโอ้อวดว่าตัวเองเป็นคนรักษาศีลเป็นคนมีธุดงนะสันโดษในปัจจัยทั้งหลายเนะนะี่ยสันโดษในปัจจัยทั้งหลายมีกายะสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์ด้วยคุณมีศีลอันหาโทษไม่ได้ทุกอย่างที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุแห่งความดีพัน เพราะเป็นผู้มีความเศร้าหมองคือกิเลสบ้วนด้วยน้ำคือคุณธรรมนั้นศีนเนี่ยเป็นตัวที่บ้วนชำระชะล้างบาปอากุศลชำระชะล้างความเศร้าหมองเมื่อก่อนใจเคยเศร้าหมองเป็นไปกับบาปอากุศลสายไหนบ้างละ่ะความเศร้าหมองในโลกนี้โดยมากก็สายปานาติบาทสายอธทินนาทานสายการมีสายมุสาก็สมาทานชาระชาระใจให้บริสุทธิ์จากบาปธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะ ก็กลายเป็นผู้ที่ล้างด้วยน้ําล้างความเศร้ามองด้วยน้ําคือคุณธรรมแล้วก็ปฏิบัติขัดเกลว์วิเวกน้อมไปกายวิเวกจิตวิเวกมุ่งอุปัติวิเวกไม่คลุกคลีกันเนี่ยนะไม่คลุกคลีด้วยเดรัจฉานกถาเป็นต้นเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเพื่อออกจากอากุศลเพิ่มพูนกุศลโดยปกติแล้วเป็นคนที่เลี้ยงง่ายเนี่ยนะก็คือไม่เลือกอาหาร ก็เป็นคนที่คงที่ในอารมณ์เนี่ยนะทั้งคงที่ในลาบความเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศเป็นต้นตั้งอยู่ในอริยวงสมอย่างอันเก่าแก่อริยวงอันเก่าแก่ของพระอริยะทูกองเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ที่สันโดษในจีวอนบินทบาทที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็ตั้งมั่นอยู่ในอริยวงทั้งสาข้อคือสันโดษในปัจจัยสามอย่างเข้าถึงฌาน อันนี้เรียกว่าอะไรยินดีในภาวนาปฏิบัติอยู่ในอริยวงข้อที่สก็คือเข้าถึงฌานมีประเภทอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยนะเข้าอุปจารฌานอัปปนาฌานตามสมควรแก่อารมณ์40เพื่อบรรลุอริยวงคือยินดีในภาวนาเพันธ์เมื่อท่านพิจารณาเห็นพิษภัยทุกโทษของการบวชมารักษาศีลเพราะศีลก็นับว่าเป็นนี่ธรรมะอย่างหนึ่ง แล้วก็เพิ่มพูนสมถะทั้งหลายซึ่งก็เป็นอริยวงเนี่ยนะเป็นการเพิ่มพูนอริยวงตามร่องรอยตามหนทางของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ในอดีตเคยปฏิบัติมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็เลยเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อบวชมาแล้วก็เช่นเจริญอนุสติสิทธิ์เพราะท่านเป็นผู้ที่บวช ด, ด้วยศรัทธาก็เลื่อมใสเจริญมีใจโคจรไปใน พุทธานุสติเนี่ยนะในพุทธในปุพผาจริยาคุณสรีระคุณและพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหรันตคุณเป็นต้นมีจิตใจละเลิกน้อมไปในพระธรรมปริยัติธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเห็นคุณของอริยมรรคอริยผลและพระนิพพานเนี่ยนะเห็นความปฏิบัติดีของหมู่สงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตามคําสอนตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ตามระลึกนึกถึงศีลที่ตัวเองได้ปกปักรักษามาอยา่างดีเนี่ยนะระลึกถึงทานที่เคยให้ระลึกถึงคุณของเทวดาโดยการเปรียบเทียบแห่งคุณของตนกับคุณของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะเจริญมรณานุสติระลึกนึกถึงความตายแล้วก็เจริญอาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อตัดความฟุ้งซ่านเจริญมรณานุสติเพื่อ กำจัดความประมาทเจริญกายยคตาสติเพื่อใจจะได้ไม่โคจรไปในสุภานิมิตเนี่ยนะแล้วก็เจริญอุปสมานุสติเนี่ยนะระ ล, ลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานที่สงบระงับดับสังขารเป็นที่สลัดออกจากสังขารขณะเดียวกันท่านก็ยังเจริญกสินกสินทั้ง10บปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินกสินสีขาวสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยนะแล้วก็อากาศกสินแล้วก็ อากาศกสินกับโอภาโอภาสคืออโลกะกสินเนี่ยนะแสงสว่างแล้วก็ยังเจริญอสุภาทั้ง1ิประเภทเนี่ยนะอสุสุภาก็คือศพที่ตายวันสองวันสาวันจนถึงศพที่ตายเป็นปีๆจนถึงกระดูกแหลกเป็นผุยผงเรียกว่าอสุภา1สิเจริญพรหมิหารสีอยู่ด้วยเมตตาน้อมนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย จเจริญกรุณามุ่งที่จะบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายจเจริญมุทิตายินดีในความสุขนะยินดีในความสุขสมนัตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อุเบกขาพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนหรือจเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะพิจารณาความปฏิกูลของอาหารทั้งหลาย นับตั้งแต่การสแสวงหาการตาการสแสวงหาการได้การบริโภคการขบการเคี้ยวการกลืน อ, อาหารที่อยู่ที่เก็บของอาหารคือกระเพาะอาหารที่ย่อยที่ยังไม่ย่อยอาหารที่ย่อยแล้วอาหารที่เป็นผลทวารที่ไหลออกมาแล้วก็แปดเปื้อนตามที่ต่างๆก็ที่รอบรู้พิจารณาเห็นความเป็นไปของอาหารอย่างตลอดสายพิจารณาธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมนี่ยนะ นี้พื้นฐานจากการเจริญกษินก็น้อมไปเพื่อเจริญอารูปสมาบัติทั้งหลายเจริญอารูปประชานทั้งหลาย